แต่ผลที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ทํานั้นเด็กไม่ได้คํานึง่งเมื่อพ่อแม่สั่งให้ยุบบอกให้ไปโรงนำร้ำโรงเรียนเด็กยังไม่อยากไปฟื้นบางทีขโมยหนีทะเลาะทะลายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพราะเด็กยังไม่เห็นผลของการเรียนอนาคตเด็กไม่เคยพาดเรื่องของตัวเองเป็นยังไงที่จะเป็นไปในอนาคตเด็กไม่สนใจยิ่งไปกว่ากัน ชอบเล่นชอบพูกสนานตามภาษาของเด็กเท่านั้นจนกว่าจะเติบโตขึ้นมาแล้วค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นเรืเ่อยๆแล้วมองเห็นผลจากการศึกษาลราเรียนมาบ้างและพ่อแม่หรืครูหรือใายๆก็รบรมสั่งสอนที่เหตุที่ผลทาความดีความทั่ว ความเลี้ยงไหหรือความมีหลักฐานมั่นคงกับความรู้วิชาที่จะเป็นเมื่อเป็นหนังในอนาคตเมื่อเติบโตขึ้นมาเดยกก็ค่อยเข้าใจในเหตุผลนั้นๆแล้วก็พยายามศึกษาเรียนและทําหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความสนใจทั่งมาเป็นผู้ใหญ่นี่คิดกันแล้ว จะไปเป็นอย่างเด็กนั้นเป็นไม่ได้ี่เพราะเหตุผลนึกความเข้าใจทุกด้านเกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วนะควงต้องเต็มตลอดครอบครัวซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนี้ต้องมีครอบครัวแต่ไปทําแบบเด็กนั้นทําไม่ได้มันจะจนกรอบจนมุมขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องทําเพราะเหตุผลบังคับให้ทํานี่ผลของงานก็เกิดขึ้นตามลําดับลําดาบผลงานนั่นก็เป็นเครื่อง ก็ยงจิตใจให้มีความขยันมั่นเพียรในหน้าที่ของงานนั้นขึ้นไปเป็นลำดับบางทีก็เกี่ยวกับยดถาบรรดาศักข์เขาอีกก mm. ็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก mm. ารปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมีน้อยนักที่จะเกิดเป็นความตั้งใจขึ้นมาตั้งแต่เด็ก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 เข็ยนพิทางเดินที่เราตั้งไว้แล้วอย่างนั้นงั้นต้องมันต้องตะเกียกตะกายไปจนได้ทั้งทั้งที่จิตมันกิเลสมันไม่ยอมให้ไปคําว่าจะไ ป, ปะภาณิพันในกิเลสมันโอหขัดมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาแล้วมันฆ่าเราที่พินาศิบหายนมันไม่ยอมให้ไปนี้กิเลสมันก็เป็นนามธรรมามันอยู่ภายใจิตใจเป็นีิเพียงว่าทําการจิดขว้างภาย จ, จิตใจ ที่เราจะบำรงเท น, นคุณงามความดีนี่จะต้องหาเรื่องหารามาทำการกีดขวางให้เป็นอุปสรรคนั่นอุปสรรคนี้จนกระทั่งเราผ่านไปได้ด้วยเหตุผลของเราจริงๆมันถึงจะเป็นไปได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องล้มไปตามเขาแต่เพราะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมคือภาวนาต้องใช้ความอุตส่าห์พยายามล้มลุกคุกคานก็ตาม กเกียตรติกายไปจนได้อ่าวันนี้จิตมันดืออ้อดื้อไปเราตั้งใจจะฝึกทรมานจิตตัวดื้อนั่นเองะคือปัญญาของเราต้องใช้อย่างนี้ไม่ดื้อไม่ทรามานแม้แต่ศัตร์หรือบุคคลใครๆก็ตามเช่นเด็กไม่ดือ้อไปดูดาว่ากล่าวเขาทําไมคนในวงงานของเราคนในครอบครัวของเราไม่ทาผิดดูดาว่ากล่กาวกันทําไมนี่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 พอเราทราบแล้วว่าจิตของเราพยศจิตของเราดื้อด้านแล้วเราจะทําอย่างไรจิตของเราถึงจะสงบตัวลงได้นี่เราก็ทราบเหตุผลใ น, ในตอนในเรื่องนี้คือต้องฝึกต้องท ร, รมานต้องบังคับบรรชาเอากันเต็มหนียวที่โยม เ, เมื่อจิตมันผ่าผลด้วยอํานาจของกิเลสเราก็ผาดผลด้วยธรรมสู้กันจนกระทั่งชนะไปเป็นพรรค ความชนะเป็นพักๆนั่นแหละคือการแสดงผลแห่งงานของตนที่ปรากฏขึ้นมาไปจัคือจิตหมอบลงไปจิตสงบลงไปด้วยอานาจแห่งอุบายของการปรากรามหรือการเทอมานจิตใจนี่เป็นสักขิพยานขึ้นมาเป็นระยะระยะที่ชนะมันเป็นพักๆไปผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันนี้นี่แหละที่เป็นเหตุให้ เราได้มีความอุตสาห์พยายามความยากความลําบากไม่ได้ยากไม่เฉยไม่ลําบากไม่เฉยผลที่เกิดขึ้นมาจากความลําบากเพราะการฝึกการทรมานการฝืนจิตใจของตนซึ่งเต็มด้วยยิ่งเลนั้นมันเป็นแสดงขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นผลดีผลดีเรื่อยๆจิตแม้จะผักผลขนาดไหนก็ตามสู้ เราไม่ไปไม่ได้เพราะเรามีเครื่องมือได้แก่ธรรมของพระพธธุทธเจา้าขันติเอามาใช้วิริยะเอามาสนับสนุนสติปัญญาไม่ล้นละเครื่องมือที่ติดแนบอยู่กับมือเราสาดฟันลงไปยิเรส จ, จะหาอบายแสดงคนมายาออกมาด้วยวิธีใดสติปัญญาเป็นเครื่องปราบยิเรศต้องนำมาปราบจนได้ปราบยิเรศไม่ได้เราแพ้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 นอกจากความชนะพระพุทธเจ้าชนะถึงได้เป็นศาสด า, าของโลกสาวกท่านชนะถึงได้เป็นศาสด า, ศาถึงได้เป็นสถานะของพวกเราธรรมยิ่งได้ปรากฏขึ้นในโลกเพราะความชนะเนี่ยแล้วธรรมที่จะปรากฏขึ้นภารกิจทั้งเราเพราะความแพ้มีอย่างหรือขัดกันกับาศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้และอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงพาำนำนลอมามันขัดกันนะเราต้องนํามา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 ไม่ใช่จะนอนหมอบล่าให้เราตีให้เราฟันให้เราฆ่ามันตายแลนีแล่น่าอยู่ตลอดเวลาดีไม่ดีเข้าไปมันฟันเราซะ ก, ก่อนแล้วถ้าเข้าไปยังไม่ถึงเขตแดนของมันเลยมันออกมาดักฆ่าเราอยู่ปากทางอยูแล้วตายพินาศสัตโลเป็นหมอะเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นจริงเราจะทําอย่างง่ายง่าทอย่างสบายสมัยแบบมัชชิมาของกิเลสมันไม่ได้มัชชิมาของกิเลสมีแต่วความอ่อนแอมีแต่วความยอมตามมีแต่วความจำนอนอยู่ตลอดเวลานั่นคือมัชชิมาของกิเลสมันชอบที่สุด แต่มัทิมาเขาทําแล้วกิเลสจะหมอบล่าบไปด้วยวิธีใดเอาวิธีนั้นมาใช้เป็นก็ตามตายก็ตามโลกนี้มีประชา้าอยู่ทุกร่างทุกกายเขาก็ตายเราก็ตายตายไม่มีเกียรติตายด้วยความอ่อนแอตายด้วยความท้อแท้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยความอายตนบกบตายด้วยความมีชัยชนะตายด้วยความกล้าหาญการต่อสู้ตามหลักพิสาสนาที่สอนไว้นั่นแหละสมกับนามรือว่าพุทธทางพนางกระฉาณนี้แล้วเอาพระพุทธเจ้าเข้ามา เป็นคงชัยปราปรามพิเรศ จ, จนได้รับภาชนะขึ้นมาเป็นพักพักนี่เรียกว่ามัชชิมาเป็นชั้นชั้นอย่างนี้แหละมัชชิมาพิเรศผ่าผลมัชชิมาผ่า ผ, าผลเอาให้ถึงกันถึงกันพิเรศละเอียดลงไปมัชชิมาละเอียดพิเลศแหลมคมละเอียดลงไปขนาดไหนมัชชิมาได้แก่สติปัญญาแหลมคมขนาดนั้นตามต้อ น, ท, นทันกันโดยลดําดับๆเอาให้พิราตไปหมดไม่มีเหลือเลย ในระยะต้นๆที่เราฝึกอบรมต้องมีความยากความลําบากลําบนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกิเลสมันมีมากมันมีแต่เรื่องเล่เหลี่ยมแล้มคมยั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้หลอกอย่างนั้นลวงอย่างนี้อยู่เรื่อยภณยจิตใจไม่ให้เราประกอบความภาคความเพียรด้วยความตั้งเหงื้อตั้งตัวได้เลยมันทําให้ล่มท้งนั้นทําให้เองทางนี้อยู่นั่นแหละะเราให้ทราบว่าสิ่งใด้ที่จะเป็นภัยต่อความดีนั่นนะคือกิเลสทั้งหมด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 ตลอดเวลาเนี่ให้เกิดความสงบขึ้นมาผลคือความเย็นใจออกมาจากความสงบความเย็นใจความสบายใจแล้วปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาภายในตนทั้งๆที่เราไม่เคยคิดว่าจิตใจเรามีคุณค่าตัวเรามีคุณค่านี่แต่ความรุ่มร้อนหาแต่ที่เกาะหาแต่ที่อาศัยอัตยตโนนาโถตัมีชื่อเพิ่งของตนไม่สนใจเลยมี่แต่พึ่งผู้อื่นพึ่งอะไรก็ไม่สราบพึ่งเดือนพึ่งปีพึ่ง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 จากความเปี่ยนของเราเป็นผลขึ้นมาแล้วพอจากระยะนั้นไปแล้วความมุสาพยามมันมาเองมาเรื่อยๆพอเห็นผลมีต้นทุนอยู่แล้วนี่จะค้าจะ ข, ขายก็พอเป็นไปเพราะมีต้นทุนจะประกอบความภาคเพียรหนักเบาแค่ไหนต้นทุนของเราคือความสงบเจินใจที่เห็นผลประจักษ์อยู่แล้วนี้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนภายใจิตใจเราก็เริ่มพยายามโดยลําดับเอา้าทําให้มีความสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดหรืออศัศจรรย์เห็นหลักเห็นเกณฑ์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 มันก็เพาะกิเลสนั่นแหละสร้างความส้างหนามไว้ให้เหยียบให้ตำเท้ามันเดินไปไม่ได้ใชก็นอนค้างอย่งนั้นแหละนี่พอถอดเสี้ยนตอนหนามคือกิเลตัวเป็นอุปสรรคนั้นออกแล้วก็ก้าวไปได้ก้าวไปได้เราทําได้ถึงเวลาเวลาแล้วใครจะมาห้ามไม่ได้เมื่อเวลาเราจะตายใครจะมาห้ามเราได้มันยังตายได้หากว่า ม, มัน ม, มีเวลาว่างเลยทําไมเวลาตายมันถึงว่างได้ก็เวลาจะทําความเพ้อเพียนทําไมมันไม่ว่างเนี่อุบายวิธีแก้เจ้าของว่างตอนนี้แหละเราตายแล้วไม่ว่างอ่ะ ไม่ว่างไงมันไม่ว่างที่จะให้ทําความเพียรเวลานี้เป็นเวลาที่ว่างที่สุดยัง ม, มีชีวิตอยู่นี่แค่อย่างนี้เรียกว่าอุบายเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องปราบี่เลที่เลศ ท, ที่มาก่อขวนที่มาทําการจีดขวางแก้โดยวิธีนี้ผลก็ปรากฏขึ้นมาเยน็นใจสบายอเย็นเพียงสมาธิเท่านั้นก็เห็นคุณค่าของตนเองหนึ่งเห็นคุณค่าของาศาสนาเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของตนเป็นลำลำดับลํบลบลบลบลบาดาอ้าวพิจารณาที่ทางด้านปัญญา มีความสงบครั้งนี้แล้วเป็นต้นทุนแล้วเอาปัญญาออกท้ายพิจารณาทั่วโลกทั่วทงสารนี่เป็นไรโลกมันมีอะไรคําว่านิจังทุกขลตานี่ต้องได้เทศทุกวันเพราะโลกนี้มีเต็มรืด้วยนิจังทุกขลตาในใจของเราก็เช่นนั้นทุกขณะกิจที่มันแสดงออกล้นแล้วตั้งแต่เรื่องของใจรักธาตุขันล้นแล้วตั้งแต่ใจรักพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงโลกนี้ถนัดกว้างแสนกว้า ง, ก ว, างกว้างอะไรมั่งพิจารณาเลยเท้ฮะ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 ให้เกิดขึ้นพนานจิตใจด้วยการพิจารณาในทางปัญญาพิจารณาไปตรงไหนรู้สิไม่ว่ารูปชนิดไหนต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านท่องกี่ชั้นกี่ห อ, อ ก, ก็ตามเถอ ะ, อะมันพินาศชิบหายลงไปหมดจะสร้างไปจากกี่พันชัน้นอ้าวมันก็ออกไปจากอิฐจากปูลจากหินจากทรายนั่นเองแล้วไปหลงอะไรมันกี่พันชั้นมันก็คืออิฐคือปูนคือหินคือทรายคือเหล็อะไรเหล่านี้ซึ่งเต็มอยู่แผ่นดินนี้เอง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 อารมณ์เครื่องยนต์ยั่วย ว, ย ว, ยวนภานจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเสียงรื่นร้รองสมบัสซึ่งเคยสัมผัสมาตั้งแต่อดีตมันก็เคยเป็นมาอย่างนั้นและตื่นมาอะไรอีนี่ก็อะไรจังทุกขังาตาพิจารณาให้มันชัดด้วยปัญญาให้ซึง้งถ้าซึง้งนเรียกว่าชาัดชัชานน้ำมันปล่อยความเที่ยวเกี่ยวข้องเที่องหาบเที่ยวหามแบกนุ่นแบบนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละพระพุพพทธเจ้าท่าน ประกาศอยู่แล้วว่ามันกองทุกเพราะความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญผิดเพราะความโง่เขลาบวบปัญญาเรายังไม่ยอมเราก็ถือว่าเราฉลาดความจริงก็คือกิเลสนั่นเองมันฉลาดตัวเราเองมันโง่มันก็ไม่ทันเขาแล้วก็เพราะาตาไม่กิเลสฟันเอาฟันเอานอนอยู่กับกิเลสนั่งบนหัวฮะ<อ>วางไงเดินเดินนั่งนอนไม่กิเลสนั่งอยู่บนหัวเราทั้งนั้นแหละบนหัวใจถึงใ่หัวอะไรบนหัวใจ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 ถ้าจิตยังมีสิ่งที่ก่อควาจิตใจให้เดือดร้อนมอันวายตลอดเวลาแล้ว time. มันต้องร้อนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนอยู่บนเครื่องบินมันก็ร้อนเพาะว่าอะไรเราจะเข้าใจว่าที่ไหนมันเป็นที่เย็นมันเย็นที่ใจนี่เท่านั้นในเมื่อเราแก้หรือเราถอดถอนสิ่งที่เป็นไฟออกได้แล้วมันเย็นอยู่ที่ไหนเย็นหมอดเราไม่ได้ไปหาที่ไห น, นถ้าจิตมันเย็นแคอย่างเดียวจิตเป็นที่พึ่งตนได้อย่างเดียวเท่านั้นมันสบายหมด มีปัญญาพอถึงขั้นปัญญาคือเห็นผลมาทางด้านสมาธิคือความสงบเย็นใจแล้วเห็นผลทางด้านปัญญาการถอด ถ, ถอนเทียนหนามคือความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดในสิ่งต่างๆออกจากจิตใจของตนด้วยปัญญาเป็นขั้นๆถอดเอโดยลําดับลําดับลําดับเหมือนที่ท่านสวดถอนโบดนั่นเอง นี่ท่านทําเป็นอุบายสําคัญมากทีเดียวท่านสวดถอนสีมาท่านสวดถอนยังไงเราเคยเห็นท่านถูกพรทัตที่มาท่านสวดถอนใก่อะพระสงฆ์มาจํานวนมากมาดินเป็นแถวก็จะสวดสวดตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปสวดที่ตรงนั้นไปสวดที่ตรงนั้นออกงั้นก็ทักนิมิตให้รอบทีเดียวเมื่อรอบข้างนอกเสร็จแล้วสวดข้างในข้างนอกจนเสร็จแล้วสวดที่นี่สวดขู่ พระเสร็จแล้วตัดลูกนิมิตตูมตูมลงไปในหลุมเป็นว่าหมดใครจะมาถอนก็ถอนไม่ได้แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ถอนไม่ได้ถอนหน้าก็ถอนแต่เพียงคำว่าถอนเท่านั้นความจริงแล้วถอนไม่ได้นอกจากสงฆ์จะมาถอนเท่าไหรแล้วเมื่อถึงขั้นตัดนิมิตแล้วเป็นอันว่าหมดธุระหน้าที่ของสงฆ์ในการผูกพระทศีมา สำเร็จโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วการถวดถอนนี้เป็นอุบายวิธีของการพิจารณาทางด้านปัญญาเหมือนเราถอดถอนสิ่งต่างๆทางรูปทางเสียงตื่นรถเครื่องสัมผสัสกว้างแคบชึ้มจิตมันไปสําคัญตั้งหมายกำหนดพิจารณาทางด้านปัญญาให้เหน็นเหตุเห็นผลตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั้นถอนความยึดมั่นถึงมั่นเข้ามาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งเข้ามาถึงาธาตุขันต์ตัวเองนี่เป็นสิ่งสําคัญพิจารณาแยกแยะดังที่เคยอธิบายแล้วนั้น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 เพราะฉนั้นจึงต้องพิจารณาให้มันทราบทั้งภายนอกคือส่วนร่างกายคือพวกขันทราบทั้งภายในคือเรื่องของจิตร้อนล้วนพิจารณาให้เห็นตามความจริงส่วนไหนร่างกายของเรานี่มันจะตั้งอยู่ได้แน่หนาเท้าวอนมีไหมเราดูให้เห็นชัดเจนมันไม่มีมันเตรียมตัวเดินไปตามทางสาริจังทุกนาทีหยู่ตลอดเวลาทุกอียาบทแม้แต่หลักมันไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันไปตามเดิน ปีนาทีมงเลยเดือนก็เป็นเดือนปีก็เป็นปีเขาก็ ห, หมุนไปนของเขาตัวนี้ก็หมุนไปตามหลักธรรมชาติของตนเองใจจะนอนใจอยู่ได้อย่างไรต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของเขาเพื่อจะถอดถอนเหมือนกับว่าไฟมันไหม้เขาลูกรามเข้ามาลูกลามเข้ามาจนกรทั่งถ้าถึงบ้านอยู่แล้วเรายังไม่รีบผลของออกหรือถ้าเราไม่อยากให้ให้ไฟมันไหม้แล้วจนเป็นเท่าเรืต้นฐานไปแล้วเราก็ควรรีบขนของออกมาออกจากบ้านเห็นจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไหม้รอบหมดแล้วเนี่ย จะทําะไรแล้วรีบผลของออกเสียตั้งแต่ไฟยังไม่มาถึงอันนี้ก็รีบผลของสมบัติคือความเฉลียวฉลาดทำสร้างให้พ อ, อแล้วยังจะไปยึดไปถือมันยู่เหรอไฟจะมามอยู่แล้วเอาปล่อยอันไหนที่ควรปลดปล่อยอ่สติปัญญาไม่ยอมปล่อยพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องไหนที่ควรสติปัญญาจะรู้เอากําหนดให้รู้ปล่อยวางมาโดยลําดับลําดับฮะรูปจะเป็นสมบัติอันหนึ่ง ไฟมันกระเจากํามังไมมอันนี้จังทุกขังหน้าตามันไหมตลอดเวลาพยายามพิจารณาเอาปลอยลงไปรูปนั่นก็คือก็คือธาตุดินนั่นเองเอาดินมาแบบว่าเป็นตนมันไม่น่าอายบ้างเหรอดินทั้งแผ่นมาแบบเป็นตนเอายกดินดินทั้งแผ่นนี้มาแบบไม่ได้ก็ยกออกมาขนาดรูปกาอันหนึ่ง ม, มาแบบมันหนักขนาดไหนือพายืนพาเดินพานั่งพานอนนี้ไม่ใช่เพราะความหนักนั่นเหรอหนักด้วยความหิวความโหมยความ ไม่สะดวกสบายกายเจ็บท้องปวดหัวร้วนแสบตั้งแต่ความหนักน่วงท่วงจิตใจทั้งนั้นเราังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือแผ่นดินก้อนนี้มันก็หนักขนาดนี้เอาเวทนามันก็เสียดก็แทงเข้ามาทุกระยะทางด้านไหนมันแทงเข้ามาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายมันแทงเข้ามาได้หมดเจ็บนั้นปวดนี่ตลอดเวลานักเห็นไหอมันทื่นแทงเข้ามาดูให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงของมันเราจะไปหลงมันมันไม่หลงเรานี่น่ะเรายังเป็นฝ่ายหลงมันอย่างเดียว เราต้องให้รู้เพราะเราเป็นคนหลงเราต้องให้รู้อันนั้นเขาไม่ใช่หลงเขาไม่ใช่รู้อะไรตามภาษาของเขาเขาไม่มีปัญหาอะไรไมันมีปัญหาอยู่กับเจ้าตัวรู้นี่แหละมันพาให้หลงก็เพราะความรู้เนี้รู้ไม่จริงท่านเรียกว่าอวิชชารู้งงๆเดาๆไปงั่นก็คือความรู้ที่เป็นอวิชชานี่แหละพิจนารณาแล้วพิจนารณานเล่าซ้ำๆซากๆให้เป็นความสนิทติดใจซึ้งใจ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 ใจของเรามันปลอมซัดจะทําเป็นของจริงแต่ใจมันปลอมมันก็เป็นทุกข์ได้นี่ศาสนามีอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยมีทั้งส่วนร่างกายมีทั้งด้านจิตใจนายเห็นชัดนะสัญญาเนี่ยตัวสําคัญสั้งขาลยกให้สัญญายึดมั่นเนี่ทังขาลยื่นให้สัญญายึดมั่นยึดมั่นขวาดเข้ามากวัดเข้ามาฝังภาระจิตใจนี่ตั้งกต่เสี้ยนแต่หนามเต็มไปนมดภจิตใจ ปัญหาที่ปลอดภัยไม่ได้แม่ชนิดหนึ่งทูกความต้องการน้หมายนี่มันทิ่มแทงภายใจิตใจันแหลหมดอดเฮีวิญญาณรับทราบขนาที่สิ่งมาสัมผัสยับยๆๆยยเท่านั้นมีสาระอะไรเสียงกระทบป้าบดับพร้อมอะไรมาสัมผัสมันก็ดับพร้อมดับพร้อมเราจะไปถือเอาสิ่งที่เกิดกับดับพร้อมว่าเป็นตนไม่ยางเรอ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 ไม้มาจากใจเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นท่นน ด, ท น, น, ดท น, นดับตรงไปที่นั่นอะไรๆเกิดขึ้นที่นั่นดับไปที่นั่นราดแก้วมันไม่ดับมันก็ขักดันออกมาให้เกิดให้ดับอยู่เรื่อยๆอยนั่นอ้าวพี่า้ไปใจนี่มันก็เหมือนหัวเปลืกหัวมันเวลามันยังสดๆยังไม่ได้ต้มเนี่ยหัวเปลือกของมันแม้จะเป็นของควรแก่อาหารก็าตามถ้าเมือมนไม่สุก มันก็เป็นของเป็นเป็นพิษนี่มันจะควรเป็นอาหารได้อย่างไรในขณะที่มันยังสดๆอเวลานี้จิตมันก็เป็นเช่นนั้นมันยังไม่ควรจะความนอนใจเป็นความสุกันสมบูรณ์ได้เพราะมันเจอด้วยยาพิษมีอยู่ภายในเช่นเดียวกับหัวข้อของมันที่เจอด้วยพิษของมันเราต้องต้มให้มันจืดหมดที่เมื่อจืดหมดแล้วพิษภายในของมันก็ถูกขับไล่ออกหมดจากด้วยความร้อน ก็เหลือแต่รสธรรมชาติของมันเช่นเผื่อกนี่รับทานลงไป อ, อร่อยแอร่อยไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษเป็นรสธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ภายในตัวของมันเองจิตใจก็เหมือนกันเมื่อได้ถูกซากพ้อออกด้วยตะปะธรรมด้วความเพียแพรแผดเผาที่เลือดซึ่งมีอยู่ภายในาจิตใจนั้นออกจนหมดแล้วเหลือแต่รสธรรมชาติของจิตแท้นั่นแลท่านว่าอมอตตังรสแห่งธรรม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 ใจที่ทุกอย่างยิ่งน่ะว่าไ ห, น, ไหนนิพนธ์อยู่ที่ไหนแล้วหลงนิพนธ์ไปไหนเวลานี้ว่าดภาพนิพนธ์โน้ น, นว่าดภาพนิพนธ์วาดปรทธานมายุ่งไปหมดเพราะมันหลอกตัวเองเอถึงความจริงพระเจ้าท่านสอนจริงถ้าไม่สอนหลอกลวงให้มันเห็นความจริงของนิพนธ์คืออะไรเมื่อไปถึงความจริงแล้วจะเรียกชื่อนิพนธมาเรียกไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งหมดะพราะตัดออกแล้วมันถึงความจริงแล้วจะมีปัญหาอะไรอีก ปรมังสุขังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงที่พ้นจากสิ่งกดถ่วงทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่มีอิสระเต็มที่และเป็นปรมังสุขขังอย่างเต็มดวงทีเดียวมีอยู่เป็นแห่งนี้ความรู้ที่รู้รอยู่เวลานี้แหละที่จะเป็นปรมังสุขังเวลานี้กําลังถูกกดถ่วงเรากําลังชําระเรากําลังซักพอกเรากําลังขับไล่เพื่อความภาคความเพลยรทั้งเรา โดยวิธีต่างๆตามจลิตนิสัยความสามารถของแต่ละรายไลไว้ทาความพยายามเห็นคุณค่าที่มีอยู่ภายในตัวเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่ถูกรับผมด้วยสิ่งที่หาสารประโยชน์ไม่ได้นอกจากเป็นโทษเท่านั้นจิตจึงไม่ปรากฏตัวขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอาัศจรรย์แต่อย่างใดเลยเวลานี้เรากำลังบุกเบิก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 คือความบกพร่องไม่ใช่หรอความหิวโหยเป็นของดีเหรือความอยากไปนิพพา น, ม, นมันก็คือความหิวนั่นแหละความบกพร่องนั่นแหละมันทึงอยากเมื่ออิ่มแล้วมันจะอะไรจะอยากไม่อยาหวานก่นแล้วข้าวไปแล้วอะไรอร่อยขนาดไหนที่ไปละทานมามันก็ไม่ยาเพราะมันอิ่มแล้วมันพอแล้วธาตุขันพอแล้วรับไม่ได้อีกนี่จินเมื่อพอตัวทําพอตัวภารกิจแล้วคําว่านิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรแล้วรู้ด้วยว่านิพพานคืออะไรนี่ มันก็มีเท่านั้นแต่ละเว